วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม 2537 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องมหากุศลจิตมหากุศลจิต 8 ซึ่งในเหตุ ในที่นี้ก็เป็นส่วนที่ท่านแสดงถึงเหตุเกิดมหากุศลชนิดที่เป็นกุศล กุศลชนิดที่เป็นญาณวิปปยุตซึ่งก็มีอยู่ 2 นายตรงกันข้ามกันเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังแสดงถึงเหตุเกิดกุศลอย่างชนิดที่เป็น ฝั่งไหนซึ่งเมื่อคราวที่แล้ว 1 จบไปอ่าที่กล่าวถึงอ่าการเกิด 1 ก็ได้ 1 เป็นผู้ปฏิสนธิมาด้วยกุศลกรรมที่เป็น 1 แล้วก็โดยตรงกัน ที่ข้อ 1 เกิดขึ้นในโลกที่ประสาทจากความพยาบาทตรงกันข้ามก็คือเกิดขึ้นในโลกที่มีความพยาบาท หมายถึงเป็นผู้ที่มีกิเลสน้อยถ้าตน สภาวะธรรมเลยเข้าใจเรื่องของชีวิตได้หรือไม่สามารถที่จะของความดีและความน่ารังเกียจความบาปได้ประการที่ 4 คือกล่าวว่ามีอินทรีย์แก่กล้าตรงกันข้ามก็คือมีและญาณอุปปยุตต์ข้อนี้หรือคู่นี้ รู้สึกจะไม่ได้พูดอธิบายเสียไอ้ความก็ขอเติมตรงนี้นิดนึงนะครับว่าที่กล่าวว่าเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้านั้นและปัญญาแก่กล้าเราคงจะจําได้ว่ายืนึกออกได้ เสด็จไปโปรดใครนั้นจะทรงพิจารณาเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นข้องอมหรือของอินทรีย์ 5 ตัวของผู้ที่จะพึงรับธรรมได้ แล้วการที่ว่าถึงพร้อมนั้นก็ขอ มีความพร้อมที่จะบานอยู่แล้วถ้าเมื่อใดแสงอาทิตย์ไม่ต้องก็ไม่บานฉัน แต่ว่าปัญญายังไม่แตกจักจึงไม่ไม่ไปไม่แตกจักตรงนี้ก็จะแสดงกําลังของตัวเองอันอย่างนี้ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญญาระดับสูงที่จะรับธรรมได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเอ่อเนี่ยเราก็รู้ว่าการบรรลุธรรมนั้นๆต้อง องค์ประกอบเหล่านั้นก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธินั่นเองเป็น ประยัติที่เรารู้อยู่ว่าประยัตินั้นเมื่อแม้ไม่เลยไม่ได้เคยได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าไม่นิดหนึ่งก็ไม่มีน้อยหนึ่งก็นั้นที่ เหตุอาศัณของตัวเองมาก็คือปัญญาขณะนั้นน่ะปัญญาปรากฏน่ะแต่ว่าศรัทธายังไม่มีเพราะว่ายังไม่ แต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไม่รู้จะไปที่ไหนอย่างเนี้ยจะเรียกว่าตัวปัญญินทรีย์นั้นแสดงกําลังแสดงอานุภาพ การมีอย่างหนึ่งของอินทรีย์ที่แกร่งกล้าเฉยถ้าเป็นระดับ ว่าคนนั้นได้สั่งสมอบรมปัญญาด้วยสูตร เมื่อมาไปประสบพบพานสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เฉพาะนี่เป็นถ้าอ้อเอ่ยถึงอินทรีย์ตัว เช่นคนที่มีศรัทธาแต่กล้าเช่นว่าเรามีเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เรามี ผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นพระก็ได้หรือจะเป็นใครก็ แล้วก็นําไปสู่ปัญญาได้รู้สมาธิที่ถึงกําลังเราก็รู้อยู่ว่าสมาธิ ย่อมเข้าใจธรรมะได้ดีถึงแม้ว่าก่อนที่จะมาฟังธรรมนั้นอาจจะ ย่อมได้ปัญญาในศีลนั้นโดยง่ายย่อมได้ปัญญาในฐานนั้นโดยง่ายจะได้ด้วยการสังเกต 3 ที่ว่า ของความเฉลียวฉลาดมันเกิดคืออันนี้ก็หมาย โอกาสที่จะเป็นญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตนั้นย่อม 7 ข้อคู่ 1 เราพูดเป็นคู่ไป คนที่ไม่มีการสอบสวนโทษถามนั้นย่อมไม่เป็นเหตุหรือไม่ได้เหตุแห่งการเกิดญาณสัมยุตเมื่อแล้วก็จะเป็นญาณ ควรถามเมื่อใดจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยที่ชัดเจนก็คือว่าในขณะที่บุคคล แล้วก็รู้อยู่ว่าตัวไม่ได้กระใจเรื่องนั้นก็ดีหรือมี เราจะได้พบคนที่ได้ถึงวิบัติตอนนี้มาถามว่าทําอย่าง ที่ถูกต้องควรจะก็ว่าเรื่องเหมือนเหมือนที่เตาเนี่ยนะแล้วก็ไปพูดถึง บางคนก็อาจจะนึกไม่ได้คําตอบว่าจะว่าเกิดไป ถ้าเราเรียนธรรมะแล้วเราก็ก็นึกคําตอบได้ถ้าไม่เรียนธรรมะเราก็อาจจะไม่จําตอบ การที่บุคคลนั้นเมื่อได้ความแล้วเนี่ยความจริงพอได้คําตอบแล้วมันก็เป็นกุศลชั้นหนึ่งแล้วในระดับของสุตะญาณบัญญัตินะฮะทีนี้เมื่อ เราได้พบธรรมเนียมอันหนึ่งนะที่ปฏิบัติคือมีการที่จริงก็คือการสอบสวนทวนเราก็อาจจะเห็นว่าอาจารย์เป็นผู้ แต่บางครั้งก็อาจจะฝ่ายผู้ 2 อย่างแต่เราพูดได้ว่าจะเป็นกาลีใครถามเนี่ยเค้าก็จะตอบนะ ถ้าตอบไม่ได้ก็จะได้ถามพอดีก็เลยล่ะอะไรทํานองนี้นะหมายความว่าบ่อยๆที่เรียกว่ากตเหตุ ก็ต้องรู้ว่าถามแล้วตอบตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้ก็ต้องการจะให้สงสัยอะไรอยากรู้พอสงสัยแล้วอยากรู้ก็ๆสูตรว่าพระตอบว่าไม่รู้ ฉะนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงหรือทรงเฉลยความแห่งธรรมข้อนั้นเถิดเพื่อ 2 พวกอ่ะครับ คนมีปัญญานี้จะช่างหลงไสพวกนึงนั้นเป็นพวกพวกวรรณคดีน่ะที่ถาม 1 คน นั่นก็พวกหนึ่งซึ่งก็ก็ไม่พูดถึงพวกนั้นแต่ว่าหรือว่ามีความรู้เยอะแล้วก็มาประเทียวความได้บางแต่ว่าก็นั่นแหละครับ เป็นความเฉลียวฉลาดระดับหนึ่งในระดับ การถามจริงเป็นเรื่องของสติปัญญานะฮะเป็นทั้งปัญญาด้วยแล้วก็บางทีวิสถีว่าเป็นอสังขาริกด้วยนะถามะคําว่าถามในภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าเข้มที่สงสัยแล้วกล้าถาม ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นกุศลอสังฆาริกด้วยนี่เป็นเรื่องของการถามการสอบสวนทวนถามซึ่งเป็นเรื่องของติดแห่งปัญญาจึงว่าอันนี้เป็นตัว ประกอบไปเป็นระยะระยะเหมือนอย่างการปฏิบัติในทางกรรมฐานการสอบกรรมฐานเกือบจะไม่ต้องพูดมัน <c oughs> ไม่มีคนที่จะตอบมีคนที่จะตอบได้นี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่เราพบในวงการๆนี่นะฮะเรื่องเราก็อาจจะเห็นว่ามีคนถามแต่ ไม่ใช่ได้ถามรู้ว่าถามไปเดี๋ยวก็ตอบแบบนั้นซึ่งไม่ไม่ได้จับใจแก่เราผู้ถามที่จะนําเอาไปปฏิบัติได้ก็เลยเลยไม่ได้ถามบางทีเราเรียนธรรมะไม อย่ายิ่งคนถามสูงก็ยิ่งเป็นเรื่องที่หาคนถามยากเป็นธรรมดาทีนี้เอ่อข้างฝ่ายคนถูกถามคนที่นะอย่างคนบรรยายธรรมะเนี่ยไม่ <c oughs> เราก็อาจจะสังเกตได้ว่าคนที่ชอบคันๆที่ตัวเองอาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าคนถามมาถามก็เลยได้คิดได้ขวนขวาย ก็ได้ปัญญาตรงนี้ได้ความรู้ตรงนี้ได้แรงกระตุ้นจะตอบไม่ได้ยังไงก็ตามอีเคยโกรธคนคนถามโดนถามแล้วโกรธเหมือนกันนะถามแล้วยิ่งไปไอ้ที่ตอบไม่ได้ต่อหน้าต่อหลังไปเลย <c oughs> กับกับพระเจ้าก็เสด็จว่าการที่เราจะรู้ว่าบุคคลบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ด้วยการอยู่ร่วมมันนี้แน่เลยฮะคนเราจะรู้ว่าดีไม่ สนทนาซักถามใช่มั้ยรู้เลยว่าคนนี้มีความเฉลียว การอ้างเหตุผลในการตอบแม้แต่เรื่องที่เขาไม่รู้นะฮะไอ้ที่ตรง ได้ไปเค้าตอบได้เพราะ 2 อย่างคือในทางเรื่องตอบวิธีต่างๆก็น่าฟังก็ได้ 2 อย่างคือมีภูมิปัญญาทั้ง 2 ส่วนไปด้วย ถ้าสงสัยแล้วเนี่ยควรจะต้องถามนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ก็พูดถึงการที่ ในการบุญนั้นคราวนี้มาพูดถึงข้อ 2 ข้อ 2 กระทำวัตถุให้ทหารอันนี้เป็นเหตุให้คือไม่ วัตถุที่ว่านี้หมายถึงสิ่งที่กุศลๆที่เรา ถ้าทํากรรมฐานก็วัตถุไปแบบหนึ่งถ้าทําทานก็เช่น หนวดเคราเล็บผมเผ่าต่างๆนี่คือวัตถุภายนายเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มใส่มัน เรียกว่าสะอาดซึ่งมีความหมายถึงการอนามัยแล้วก็หมายเลยไปถึงความเป็น แต่ว่าอีเจรแล้วนั่งวางธรรมะยกไปยกมานั่งแล้วจะลมความไม่ยกย่อมๆนี่ครับก้องปัญญามันก็เจริญมันค่อยๆดีนักหนาบุญกันกันๆกันคืออย่างที่เรียกว่าอะไร ดาวหมองจะเป็นๆพวกนี้น่ะเป็นเรื่องของอยู่ในข้อความแข็งแรงก็ไม่ใช่เดี๋ยวจะเน่าจะเสียคือ <c oughs> ไอ้ทุกอย่างเนี่ยที่เราใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อการบูญจะต้องมีความเหมาะแก่การเหมาะแก่การที่จะจะคํานึงถึงเอ่อปู่ตัวเราเองผู้ใช้นั่งกรรมฐานเนี่ยเราก็จะมีที่เหมาะ หรือว่าแว่นที่เราใส่ไม่เหมาะกับตาเราปากกาที่เราเขียนไม่เหมาะกับต่างๆกันไปนี่ๆแต่ละชนิดแตกต่างกันไป เราพิจารณาคือให้มันเหมาะที่เราเข้าใจหลักตัวนี้มันก็เป็นปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาว่าเราจะจัดแจงอย่างเหล่านี้ยังไงให้มันเหมาะแล้วก็เมื่อเราได้จัดวัตถุเหล่านั้นให้เหมาะ อย่างสมมุติว่าคนที่เรียนอารยธรรมเนี่ยบางคนก็เรียนแล้วพอที่อยู่บนละติจูดละติจูดอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวก็เรียนเรียนตามมีตามได้นะอย่างคราวที่ ส. สอยประกาศสีย้อมเขียนเนี่ยครับข้อ ได้เขียนไว้เป็นที่ก็ดูแล้วดีฮะผมยังไม่เคยทําอย่างนี้เลยแล้วก็แฟ้มใส่แฟ้มแฟ้มสอดอย่างดีนะแล้วคน เองบอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการจบเนี่ยไม่ไม่เปล่า ไม่แม้แต่พระศึกษาตรงเดชว่าพระเนี่ยอะไรก็ง่ายง่ายเนี่ยง่ายมันไม่ได้ไม ยังสะอาดไม่ดีเป็นความที่ระมัดระวังตัวแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเข้าใจตรงเนี่ยทั้งพระที่อยู่ใน ก็ออกมาเลยอย่างบางวัดที่น่ะที่บอกเข้าไปเนี่ยสมาธิเกิดน่ะใช่หรือวัดเดี๋ยวยันวงเสยนวายุ่งไปตั้งประเทศที่ ภาวนามากของน้ํานอนได้เลยขนาดนั้นเราคือใช่มั้ยศรัทธาเกิดสติและการที่เราไปเห็นสิ่งเหล่านี้และ ปัญญานั้นชอบความสะอาดของวัตถุนี้เดี๋ยวท่านจะนึกอย่างว่าอ้าวก็เราไปดูตกไม่ชอบตกปรกเลย ไปดูศพก็อย่างนี้นะคือการที่ อย่างนี้คือว่าเราจะพิจารณาถึงศพกฎนั้นอย่างเป็นสิ่งอื่นอย่างเป็นและโดนการจัดแจงตัวเองไม่ใช่ว่า <c oughs> ของปัญญาส่วนหนึ่งแล้วก็อารมณ์พวกนั้นก็อย่างนะคืออะไรที่เป็นของตกตลกเราก็ดูให้เห็นความตกตลกว่าเนี่ยอธิบายให้มันเรื่องชัดเจนนี่ก็สําคัญสําคัญดังนั้นก็ ก็พูดแต่บางส่วนนะนี่คือการทําวัตถุให้สะอาดทําวัตถุง่ายทั้งภายในภายนอก เราจะยกตัวอย่างการกันถ้าเราไม่นะฮะทําไม่ขึ้นแล้วผู้จะไปมามาที่เดียวแล้วเนี่ยก็มีซึ่งส่วนขันธ์ยอดลอดคือเอ่อที่สํานัก พอมันละมรรคหมดแล้วที่ว่าหมดเนี่ยต้องมีพวกเลยครับน้ําหมดเลยต้องหลบอยู่ใน กูไปมันมายังเลยชื่อวันนี้มันไม่ได้มาสว่างก็บอกเขาลําบากเนี่ยเลยเรื่องจุกจิกเล็กนะ ก็ดีว่ารอแล้วน้ํามันมาทีนี้ตัวอ่ะต้องไปตักน้ําในชักโถมามาล้างแต่โชคจักโลก เออแม้ทําเจออย่างนี้ทุกวันก็เห็นจะเจริญก้าวหน้านี่แปลงฟันแปลงครับเข้าห้องน้ําตัวทําให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ไปทําจะดีมากผมไม่ได้สั่งเนี่ยเบื่อนั่งๆรําคาญหัวเก่ากระแสหรือไม่เก่าก็ต้องฝืน ผู้กระทำด้วยตัวเองว่าเหล่านั้นจะสังเกตเห็นด้วยตัวเองยิ่งแม้แต่เรื่องเล็กผมผมยกว่าถ้าผมไอ้รับประทาน เกี่ยวกับเรื่องไอ้ภูมิแพ้เนี่ยทําได้ทําโดยเฉพาะครั้งแรกๆน่ะในช่วงแรกๆศรัทธาแรกๆอะไร แต่พอทําอันนี้ก็รู้สึกเราต้องคอยระวัง การพิจารณาประโยชน์ว่าสิ่งเหล่าใดไม่เป็นประโยชน์สอยไอ้คําว่าสอยที่ผมพูดเมื่อใหม่ที่ว่าเช่นทรัพย์ สำหรับผู้ทำสมาธิเนี่ยน่าใช้สอยอื่นๆเอามาทำเป็นอุปกรณ์เพื่อทำๆเนี่ยครับๆหน้านั่งทำดีๆหน้าน่าอยู่น่า หน้าธรรมในหน้าอะไรหน้าทําบุญเราอยู่กับหน้าทําบุญๆที่เห็นว่าว่างเนี่ย พอประสบเสียงไม่ดีงั้นน่ะมาทุกจริงอุ้มไม่ได้สูงผล ให้ปล่อยวายนี่ก็แปลว่าเรารู้เรื่องนี้แล้วเราก็ไม่เราว่าสติปัญญาของเราบุญของเราเราได้บอกตั้ง อาศัยวัตถุกรรมเป็นที่เกิดเราจึงต้องดูแลแก้ไขสิ่งที่เป็นวัตถุกรรมนั้นให้ ตรงนี้ปลัดก็เราจะเอาอินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักเน้นตัวเดียวไม่ได้หรอกก็มุ่งหมายจะเอาปัญญากันอยู่แล้วนี่ก็เน้นปัญญาแค่ตัว ในทางนามธรรมทําแล้วน่ะเมื่อที่ในนามวัตถุเจ้าปัญญาต้องเอาในทางนามธรรมจะเอาปัญญาแต่บอก กิเลสมันจะเข้าจับกิเลสตัวหนึ่งเข้าจับคือมานะนะฮะมานะมันบอกว่ากลายเป็นคนแพ้ก็มันก็เลย ที่ตรงนี้เราเราเห็นเรื่องกับคนในแต่ที่อื่นไม่ใช่ที่นี่พอเราก็ฟังว่าผมไม่ได้มีเจตนาคิดอันหนึ่งบอกกับคนที่เค้าโทรมา ศึกษาธรรมะแต่ว่าเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องนานแล้วก็ร่ำเรียนไปกระทั่งถึงสูงมากแต่ว่าเป็นเลยก็รู้อะไรต่ออะไรปฏิจจะไล่ถูกปัจจัย 24 แต่ว่าไอ้ความปกป้องของตัวเองเนี่ยทําไมถึงไม่รู้พอไปพูดเข้าพูดตรงก็โกรธเมื่อพูดก็ไม่รู้แต่ว่าอันที่มันอ่ะ แต่ส่วนตัวเนี่ยเค้าก็ก็มีความเชื่ออะไรแต่ว่าถ้าไปพูดสักนิดมีปฏิกิริยาตกไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องกันแล้วจะทําไงผมก็บอกอันหนึ่งว่าสําหรับคนบางคนเนี่ยไอ้กิเลสเป็นบางถือคือเราก็มีกิเลสทุกคนนะผมก็มีใครก็มีแต่ว่า ที่เริ่มไม่ถึงเป็นหนังสือแค่พูดแค่ทํานิกเนี่ยมันจะเจียนเจาะเข้าไปได้รู้สึกได้เข้าใจได้ยอมจะทํา ก็คือในธรรมะขนาดไหนเนี่ยเรียนลําเรื่องข้างนอกหมดออกข้างนอกหมดแต่ว่าสิ่งทีใจต้องมาชุบตัวคือไปปฏิบัติไม่ต้องอาจารย์มา ถึงจะการไร้เหตุผลนั้นออกแล้วก็จะได้รู้อ่ะตัว สารก็จะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ถึงปฏิบัติเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้เอาเขายังไม่ <c oughs> แต่เราก็ต้องเชื่อแล้วทั้งหมดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมะแค่นิดนึงไม่ใช่ว่านี้แล้วยังเป็นอย่างนี้แล้วจะไปเรียน <c oughs> <c oughs> อินทรีย์ที่อยู่อย่างที่เราพูดเมื่อกี้น่ะไม่ได้ขัด ประทับพระองค์มีเพราะอยากได้พระเครื่องก็เลยตามไปอยู่ใกล้พระโดยอ่านหนังสือมหาสถานฟังเทศน์แต่ระหว่างนี้ทีนี้ สิ่งที่จะทําให้เกิดปัญญาได้ในแต่โดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อต้องทําอินทรีย์ให้เสมอกันเราก็ว่าถ้า กับรู้เหล่านี้ศรัทธาจัดจนเกินไปหรือไม่จัดจนกระทั่งเราเนี่ยไม่มีปัญญาในเรื่อง แล้วก็ดึงสติขึ้นมาคือต้องตั้งอย่างโลกุชายอย่างมหาอย่างบุรุษแล้ว ดึงปัญญาขึ้นมาโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่เราจะถึงแสวงหาได้ปัญญาในเนี่ยที่มันทํา เติมอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าภายในของมันอีกๆแต่ละตัวนั้นเป็นตัวครอบกิเลสที่เป็นวิสภาวะของมันของนะฮะต้องอาศัยอินทรีย์ ศรัทธาจะบึงละได้กิเลสนั้นคืออะไรความเพียรข้อกิเลส การที่ปัญญาจะเรียนจะไปๆอ่ะต้องอาศัยแรงเสริมจากศรัทธาวิทยาติศีลสมาธิปัญญานะ ความปูท่านซึ่งเป็นนิพพานโดยมันศรัทธานั้นทําลายอรติแล้วก็วิริยะนั้นทําลายความปรากฏ ความระลึกอีกวิจารสติก็ เอ่อการช่วยการต่างๆของเจ้าของมาดิน อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาช่วยป้องๆที่จะเกิดขึ้นกําลังให้อ่านี้ 4 หลีก ผู้ใดได้ให้ได้ปัญญาเอ่อคบหาคนที่เนี่ยก็จํากัดวงเฉพาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราก็จะเห็นนะว่าคนที่ชอบบูชาท่องกุศลทําบุญบารกุศลเนาะก็ไม่จําแค่ อย่างที่ว่าเมื่อกี้จะเป็นเรื่องกันเรื่องปลาละปลาจริงๆ แล้วถ้าเกิดว่านี่ใจโง่จะไม่คบไปที่ทํางานโง่จริงใจหาคนคบหาคนมีปัญญานั้นมีให้ดีเดี๋ยวจะเข้าใจธรรมะคิดมี 2 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเกื้อกูลครับเพ 2 นะไอ้ที่เราหวังรับความเกื้อถ้ามัวอนาถการฟังเนี่ย <Nep> คนพูดเลยยังมีหมอเอไม่มาฟังมันพูดไปออกต้องไปต้องไปจะได้พูดคนขาดสักคนนึงหมดห้องเลยเลย การในการไปฟังเนี่ยเราฟังเพื่อที่จะรับธรรมะปุเอ่อการที่เรามัน เป็นตัวมีเป็นปัญญามีบางคนเค้าก็มาบ่นๆเหมือนก็ฟังแล้วก็ติดคนนี่ก็เห็นเรียนนานเก่าๆเนี่ยเรามันก็มีกิเลสฟังแล้ว เป็นการประพฤติธรรมแต่ที่เป็นกิเลสนั้นก็คือไม่ใช่เหตุผลในทางสติปัญญาจะ <c oughs> หรือสวยอย่างไม่มีเหตุผลอื่นจะติดแน่ไม่มีเหตุ ในการปฏิบัติกรรมฐานก็เช่นเดียวเลือกครูบาอาจารย์ที่ถูกแล้วอยู่ในหลักนี่ผมยก 2 กรณีนี่ยกตัวอย่าง หรือถ้าเราจะให้ทานล่ะต้องเลือกไม่ว่าไม่มี แต่เราก็อีกคนที่ไม่มีปัญญาไปได้ปัญญาอย่างที่อื่นมาแล้วก็เอาไปใช้กับคนอื่นก็อีกแต่ใช้กับ นี่ที่ว่าการคบคนใน 2 กรณีคบคนเพื่อ ก็เราเราก็เลยมี 2 บทบาทว่า 1 ถ้าเราเป็นเป็นฝ่ายให้เราก็ครบคนอื่นถ้าเป็นฝ่ายรับเป็นแง่รับ กับคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาคือข้อ 4 เว้นจากสุเทียบได้กับเว้นจากคนฐานข้อ 5 นั้น อ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกประดับประกอบธรรมะพอคู่กับ พบกับหลักการเป็นพิเศษพบกับครูบา จะปรุงสงเคราะห์จะปรุงให้คนได้ให้คนอื่นได้หรือจะปรุงให้แก่เราได้แต่ยังไงก็ คนตอบจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาต้องให้ปัญญาแต่บางที ผู้กับไม่ชอบพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งทีถ้าถามว่าธรรมอะไรเป็น บางคนนะครับอาจจะเช่นภาวนาใหม่สุตตมยปัญญายัง อย่าไปนึกว่าชอบฟังธรรมการที่คนมีคุณสมบัติชอบฟังธรรมเนื่องเนี่ยชอบ เป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากมากใช่มั้ยงั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบอย่าง ที่เห็นอย่างชัดเจนชอบปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องของการชอบในทาง ก็หมายว่าคนที่ชอบความจริงค้นหาความจริงแล้วก็ เริ่มระบับรอบตัวแล้วก็คิดหาคําตอบในตามสภาวะอย่างลึกๆพวกเนี่ยตั้งตั้งเป็นคําถามขึ้นแล้วก็ติดตามหาเหตุ <ier> <Dollar> เรียกว่าไม่ยอมละเลิกในสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่ โลกซึ่งมีชอบเรื่องในทางสติปัญญาเนี่ยก็จะได้ถึงเหล่านี้เป็นแนว ยึดตรงเด็ดไม่กระทั่งกับบุญกับชื่อของปัญญานะหยิบแล้วก็ลึกซึ้งน่ะเป็นชื่อของปัญญาปัญญาก็มีอารมณ์ที่เป็น <c oughs> น้อมจิตไปในปัญญาคําว่าน้อมจิตไปในหมายความเป็นผู้ที่รู้จักจิตให้เกิดปัญญาเรื่องที่ฟังดูยากนะแต่ว่าถ้าที่ไม่ปัญญาฟังดูง่ายที่ท่านบอก <c oughs> เย็นอะไรแล้วเนี่ยคือทําใจเป็นทําใจเนี่ยมันเป็นกํากว้างอันหนึ่งก็คือทําใจให้เกิดศรัทธาได้ ที่เขาเรียกว่าทําให้รู้สึกเก่งแต่ไอ้เราทําอาจจะทําให้รู้สึกในทางอกุศลเก่งอกุศลนี่ไม่ต้องทํามันจ้อง <c oughs> คือแสดงอารมณ์ร่วมไปเลยก็จะเป็นมายาหรือยังไงก็ ทำจนชำนาญเนี่ยน้อมหักความรู้สึกโอนความรู้สึกไปปั๊บเนี่ยนิ่งได้เลยอยู่เอไอ้เรื่องที่เราไม่นะเราไม่เห็น เราไม่เห็นความปฏิกูลเนี่ยน้อมยังไงถึงจะเห็นความปฏิกูลเนี่ยนะมันยากแต่ว่า คนที่ฉลาดน้อมใจไปเนี่ยคือให้เขา <c oughs> หันความๆนี่ครับมันไม่ปัดแต่ถ้ารู้มันถึงจุดแล้วเราพยายามปลักความรู้ เต็มตามจริงในธรรมะนั้นได้อันนี้คือการ จะดุนใจตัวเองให้มันเป็นไปเช่นเอ่ออย่างที่หลายๆหรือเป็นเรื่องเช่น มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายกับไร้หน้าลังเกียรติอย่าง ด้วยอคติอันใดหนึ่งพยายามนึกถึงว่าทําไมเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันเป็น บุคคลนั้นก็ไม่มีอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยผมนั่งรถกระบะแล้วก็ไปมีไอ้ไอ้ 2 แถวคันหนูมันมามาโฉบกระจกไอ้แตกแล้วก็คนขับรถ 2 แถวก็ลงผมก็ ไอ้มันที่ยังไม่ยอมมาเอเราก็มองดูให้ทําไมไม่ยอมจะดูตั้งกระหัวจดทางอ๋อไม่มีเงินให้หรอกเออมองอะไรล่ะมันมีเงินแล้วยังไงมันก็ต้องเถียงไม่ยอมเถียง <c oughs> เออมองไม่เป็นไรหรือยกให้แล้วก็พูดให้พอคิดไปน่ะซะหน่อยถึงจะได้ไม่ใครก็ได้ไปเถียงมาไอ้คนกับรถกลับขึ้นมาหน้าดําทั้งพิษก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าที่ถ้าคิดเรามองเท เราก็จะได้ตัดสินใจทําเพราะไอ้บางเรื่องมันจะไม่ได้มันจะนี่คือการน้อมจิต เราไปดูเหตุอื่นที่ทําให้เกิดลักษณะอื่นของความเป็นกุศลจิตต่อ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเหตุ กุศลโสมนัสด้วยเหตุที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าหากว่าคนใด <c oughs> ก็สมเด็จอุเบกขาเราเลยพูดกันถึงปฏิสนธิอีกสักทีว่าปฏิสนธิจิตของ ด้วยจานอื่นก็แล้วแต่นะครับจะมีจิตดวงลด <c oughs> จากเหตุปัจจัยกงคามมันเนี่ยถ้ามหากุศลมหาวิบากปฏิสนธิของ <c oughs> <c oughs> บุญละยะกิริยาข้อใดและบุญอย่างวัตถุ 10 มีแนวโน้มทางฐานแล้วก็มีปัญญาด้วยถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่จากกุศลกรรมที่เป็นภาวนากุศลแนวโน้มในทางภาวนา ความอ่อนน้อมถ่อมตัวก็จะติดมาทําให้เกิดไอ้เองเช่นเจตสิก สมณกิจาธิกที่อยู่ในนั้นว่าเอ่อโอชุกตะตาคือความซื่อตรงอยู่คือไอ้ความซื่อตรงเนี่ยเป็นเรื่องกว้างแง่หลาย แม้ว่าจะทําบุญทํากุศลก็มีลักษณะซื่อตรงซื่อคนที่อ่อนเรื่อง لماذا เลื่อนนิดเดียวรู้จะไปทําบุญทําอย่างเช่นว่าเออนี่ฉันมีน้อยนะฉันก็เลยถวายท่านถวายน้อยความมีมากแต่บังเอิญ ลืมเอาบัตรเครดิตมาเลยแต่หวายแค่นี้ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ศึกษาพูดโยกไม่คือนะนะ แล้วมันก็มีความไม่สื่อบางอย่างที่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ชอบเลยเขาเรียกว่าตู่พระพุทธเจ้าให้เป็นเป็นลักษณะเออให้คะแนน ไม่ต้องการให้ศิษยานุศิษย์เนี่ยมีความไม่ซื่อแม้ก็ไม่ซื่ออาจารย์อย่างว่าไอ้เมื่อชี้กับอาจารย์เนี่ยคือว่าเวลาๆก็ไม่เห็นว่า แม่งงงเลยครับผมปุ้งแล้วกันครับผมตายอย่างเนี้ยก็บางทีก็ไปพูดซะเป็นลักษณะไม่ได้อะไรขึ้นมา ต้นความซื่อนั้นจริงเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัย หลังจากนั้นนี่ก็มีเป็นกรณีต่างๆยกตัวอย่างพอให้ <c oughs> ไอ้ก็มีผลมาถึงของความโสมนัสที่อยู่ในภวังค์จิตนั้นก็มี คือเฉยเสียจนตั้งเจ้าบ้านข้างไม่อยากคบเลยคือไม่ไม่รู้สึกอะไรกับโลกเลยอย่างเงี้ยนะ ในสังคมเรานะฮะนี่ก็เอ่อบางทีเป็นมาก 2 คือมีศรัทธามากก็ได้เคยเรียนแล้ว <c oughs> ศรัทธาจริตอันหนึ่งในที่นี้พูดถึงศรัทธาจริตอันหนึ่งแล้วก็ศรัทธาในการๆเรามีศรัทธามีความเช่นเรา แม้แต่ได้เห็นเราก็เกิดกุศลโสมนัสขึ้นมาทันทีเรียก <ม. S 1> หมายก็ว่าไม่มีศรัทธาเลยก็ได้ไม่มีศรัทธาอยู่ก่อนเลยครับไม่ได้เคยฟังเลยก็เรียก บางทีเราอาจจะชอบทําบุญอย่างนี้แต่ว่าไม่ศรัทธาวัดนี้ไม่ศรัทธาธรรมาสน์นี้ไม่ศรัทธาคนนี้ไม่ศรัทธาที่ชอบกรรมฐานนั่นน่ะชอบแต่ ธรรมดาอย่างหนึ่งข้อ <c oughs> 3 มีความเห็นหมดจดกับมีความเห็น แล้วคนนั้นเมื่อไปทําแล้วมันไม่มีๆอย่างหมดจดเนี่ยแล้วได้มีโอกาส ได้พบกับคนที่ตัวรักหรือสิ่งที่ตัวชอบได้กระทําสิ่งที่ตัวรัก <c oughs> ก็อาจจะเกิดอาคติอาจจะเกิดอคติเกิดความคิด 2 ที่คลาดเคลื่อนกับความเห็นที่อยู่อย่างสมมุติว่า พระเล่าหรือซวยอ่านซึ่งมีที่มาจากในวิสุทธิมรรคว่า ก็ได้กราบทูลในลักษณะที่ไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดอ่ากีวรลูกท่านก็หายวับไปกับตาย ศรัทธามากไม่เกี่ยวกับความเห็นในตัวบุคคลนั้นบริสุทธิ์ตรงนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลนะคือเข้า เป็นพระแต่ว่าอัมมาตคงรู้พูดไม่ได้ถึงบางคนนี่ก็รู้ให้ข้อเท็จจริงไม่ได้ในขณะนั้นแต่สมมุติว่าคนที่ให้ข้อเท็จเออไม่ไม่ใช่พระเจ้าอไม่ เกิดการหมนัดยากนะสําหรับคนว่าเราสามารถที่จะทําใจได้ก็เป็นอัน คนที่มีความเห็นบริสุทธิ์อยู่ในใจเนี่ยครับทุกอย่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็น แล้วเราก็จึงเห็นว่านักบุญบางคนนั้นไม่ชอบทําโลกหมายถึงสังคมก็มีญาติของพวกเราๆเรียกว่า ภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยแกจะซื้อเอากอง 3 เนี่ยมาตวงไปถู มีลูกชายจะไปก่อลูกสาวก็เอาไม่เรียกแล้วก็ยกไปเลยไม่เรียกจะให้เท่าไหร่เล็กๆคือแม้แต่ชีวิตกินไปได้ลูกหลานไอ้เนี่ยเป็นเรื่องเรื่องของคนอ่ะไม่รู้เอาที่ไหนมาทํา ผมก็เรียกโอ้โหทําอย่างเป็นบ้าเป็นหลังกันแล้วกันพูดอย่างนักโน้นนักเลงนะตัวเป็นเจ้าของสวนยางเป็นพันไร่ทําไมถึงทําแก่วัดทําไมเอ๊ะทําไมถึงไม่ทําแก่วัดทําไมถึงวัดเหลือกินเหลือใช้อะไรอย่าง ก็ก็คิดไปการเห็นผลเท่าที่ตัวเองจะไอ้ต้องมา บางคนชอบสร้างโบสถ์เป็นพิธีด้วยความเชื่อบางอย่างนะเองเชื่อว่าคนถ้าลองสร้างโบสถ์แล้วในโยมตอนนั้นน่ะตายไม่ได้โยมบาลไม่ตัวต้องมาสร้างโบสถ์เสร็จก่อนมากเลยไปถือว่าสร้างแล้วอย่าทําได้ไม่ว่าบางคนตอนแก่เนี่ยซ้ําป่วยซ้ํา <c oughs> <c oughs> ตายคือมันยังไม่อยากให้ตายก็ต้องการก่อนรอเวลาไว้ก่อนพอถึงเวลาควรตายก็ทําให้มันเสร็จเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อ่ะเพราะว่ามีคนเคยสร้างบวชแล้วไม่เสร็จผม บอกว่าที่สร้างโบสถ์ยังไม่เสร็จนี่ขอไปสร้างโบสถ์ให้เสร็จก่อนแล้วกันโยบานเป็นสร้าง มาสร้างสร้างให้เสร็จจะได้ตายวันเนี้ยขอเวลาโยมบาลมาเท่านี้ก็ขอบคุณทั้งหลายนะเป็นเราก็ท่วงอะไรคนแล้วก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องอย่างนี้นะลงมามีแก่ใจที่มาสร้างอะไรแล้วเนี่ยเค้ารู้เค้าตายแล้วก็ พื้นที่เรานั่งๆอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าข้อเนี่ยว่าข้อข้อไหนเป็นดำ 1 อันดับ 2 เนี่ยเราจะการผิดการถูกไม่เท่ากันเรียงข้อไม่เท่ากันใช่มั้ยทําไมล่ะ แม้แต่ความสบายใจความสุขใจก็ถือเป็นอนิจจังอย่างทำไมพระบาง แต่บางองค์ชอบเรื่องวิปัสสนาบางองค์ชอบเรื่อง ถ้าไม่ก็ไม่เห็นประโยชน์ของบุญก่อนน่ะเมื่อเมื่อจะมีคนเค้าก็ยกมือถามจริงๆผมถึงนิดเดียวแต่ไม่คือเรื่องการดับทุกข์แห่งยุค ทำภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องคือเค้าพูดเนี่ยไปนองใช้ไม่ได้ ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องไกลแต่ที่แท้แล้วเป็นๆเลยๆเมืองนะเรื่องปัญหาสุเพณีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมผมไม่ได้ เนี่ยคนไปคิดว่าเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วปลุกทางนี้แล้วมันมาช่วยแก้ปัญหาเอามาใช้ในชีวิตของเราเป็นเป็นพลัง เมื่อไม่เห็นอนิสงส์ก็ใครเขาบอกว่าวิธีปฏิบัติที่เป็นคอร์สอบรม หลังจากนั้นจบออกไปเนี่ยรวยหมดทุกคนแล้วก็บอกตัวเลขเลยนะอยากแล้วแล้วอยากไปมั้ยไอ้อย่างเราก็บอกเอ๊ะอันนี้ ในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะบอกตัวเลข 3 ตัว 2 ตัวให้แล้วผมบอกมาหลายสิบงวดแล้วไม่ได้แค่บอกคนมาฟังกันฟังไม่มาเอาตัวเลขอ่ะนี่ได้มีนะบอกว่า อ๋อยังไม่หมด 5 ได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีและได้ประสบกับอารมณ์ปานเนี่ยหมายความว่าอารมณ์ที่เป็น อย่างเช่นว่าเช่นว่าก่อนที่เราจะมาทําบุญๆมีสบายะไม่ร้อน <c oughs> <c oughs> ภาวะจิตใจเราดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น <c oughs> เรเรเราเนี่ยมีเหตุขัดข้องจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ดีต่างๆสิ่งๆขัดข้องก็ดี ก็ยกตัวอย่างอย่างพวกเราคนนึงที่ป่วยไปปากปากเนี่ยว่ามาฟังธรรมในระยะป่วยเนี่ยบางทีฟังไปแค่ได้เหยเกไปนะฮะอันนี้ก็ไม่เกิดสมนะซึ่งปกติตอนที่ไม่ป่วยนั้นเวลาฟังธรรมจะเกิดสมณัส ขวางๆสมณัสก็ไม่เคยเกิดอ่ะไม่รู้ว่าเคยป่าวขึ้นมาสู่ที่บางหน้าหมู่เองเคยมั้ยผมเคยเคยอ่ะเคยเคยคือเวลามาบางครั้ง ต้องใช้เวลาบําบัดชนานเอาล่ะครับเราพลิกจบเหตุได้เกิดโสมนัสอปาทโทษเหตได้เกิดอสังหาริกอสังหาริกข้อที่ 1 มีประสตนธิจิตเกิดจากกุศลอสังหาริกก็ทําให้บุคคลนั้นได้เหตุที่จะทําให้ ทางสังฆาริกปฏิสนธิก็เป็นกุศลที่มี 2 มีความสุขกายสบายใจกับไม่มีความทุกข์ เวลาทําอะไรแล้วมักจะเป็นโสมนัสยิ่งทํากุศลเนี่ยในนี้มุ่งไปในอสังขาริกคือมีความเข้ม แล้วก็ข้อ 3 คือมีความอดทนต่อความเย็นความร้อนเป็นต้นหมายที่ว่ามี จนกว่าเราจะทําบุญนั้นได้เข้าที่เราก็จะทนอย่างไม่ต้องทนเช่นบางคนมาฟังธรรมะเนี่ยมา ยิ่งทํากุศลชั้นสูงยิ่งทํากุศลที่ต้องเสียสูงแรงเนี่ยฮะต้องใช้ความสูงมากอย่างการบวชเนี่ยคุณสมบัติของพระอย่างหนึ่งต้องมีต่ออะไรต่อมีอะไรต่อหลบยุงต่ออนิสาลมๆต่อๆมากถ้าทน ก็ไม่เกิดถ้าคนได้ดีกุศลก็มีกําลัง 4 เล็งเห็นอานิสงส์ของกุศลที่ทําอันนี้เป็น รู้เข้าใจอยู่ว่าทําบุญกับพระผู้ออกอย่างนิโรธสมาบัติได้บุญมากแล้วก็เกิด ความต้องการของเราต่อไปข้อที่ 5 มีความชํานาญในกุศลที่ปรุงประดับกับไม่ เราเราจะไม่แน่ใจกังวลไว้เราจะไม่แน่ใจแล้วจะทําด้วยความด้วย พอได้เห็นใหม่เนี่ยแกปรีก็ใส่เลยครับมันแกแกพูดได้ดีกว่าวัดนั้นอีกพูดนะเนี่ยคือแต่พอบอกเอาพูดทํามาไปช่วยกันงั้นถ้าเค้าจะทํามาทานศีล หลายคนก็ไม่ถนัดเห็นแล้วก็กลัวไม่รู้ด้วยเรื่องของพิธีกรรมอ่าทีนี้มาว่าพอ 6 ได้อู่ จบเรื่อง 8 เพียง